เห like, ็นกายโดยความเป็นธาตุขั้นที่5ของการฝึกมีสติอยู่กับกายการฝึกเห็นกายโดยความเป็นของศพกับรกนั้นช่วยถ่ายถอนจิตออกจากความยึดติดถือมั่นในกาย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 ธาตุดินมีสภาวะแข็งเป็นของหยาบส่วนของกายที่เข้าขา่ายธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกมันสมอง ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาระหรือของแข็งหยาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่นคำข้าวที่กำลังเคี้ยวกลืนก็จัดเป็นธาตุดินเช่นกัน 2. ทธาตุน้ำมีสภาวะเอิบอาบเปลี่ยนรูปได้ตามแต่จะถูกบรรจุเข้าไปที่ไหนส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุน้ำได้แก่สเลดน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำตาน้ำปัสสาวะน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองดีมันข้นเหลวมันเหลวไข่ข้อหรือของเอิบอาบใดๆอันเกี่ยวกับกายเช่น น้ำที่กำลังล่วงผ่านลำคอก็จัดเป็นธาตุน้ำเช่นกัน 3. ทธาตุไฟมีสภาวะร้อนแผ่ไปในธาตุอื่นๆและมีผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนของกายที่เข้าข่ายธาตุไฟได้แก่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 อยู่ในเลือดเนื้อเลยสักชิ้นความเห็นด้วยใจที่นิ่งว่างสว่างนี้เองคือภาวะขั้นสูงของการรู้กายว่าศักแต่เป็นาธาตุขอให้ระลึกเสมอว่าการเห็นกายศักแต่เป็นาธาตุจริงๆนั้นต้องอาศัยใจเห็นขณะที่มีความรู้สึกตัวตามปกติไม่ใช่หลับฝัน